เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบอยสัตว์อุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่หมิถุนายนพุทธศักราชสอาาเเป็นวันพระวันธรรมสวรรวันธังธรรมเป็นวันมงคลอย่างยิ่ง เอกหนึ่งวันเนื่องจากการฟังธรรมนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นเองหังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่ากาเลนะธรรมสวนานังเอตัมมังกาลโมตัมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งตามการตามเวลาก็คือ ตามวันธรรมิสวนะนี่เองคือตามวันพระที่มีอยู่ทุก7เจดวันแดวันหรือหวันในกรณีของวันขาด mm hmm. เวลาฝัรทมเป็นมงคลเพราะอะไรเพราะจะได้ความรู้เพิ่มเติมนั่นเองความรู้ที่จะมาดับความหลง ที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่พวกเรานั่นเองยิ่งมีธรรมะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความฉลาดมีความรู้มากขึ้นไปเท่านั้นความรู้าธรรมะนี้เป็นความรู้ที่วิเศษกว่าความรู้ทางโลกเพราะความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ไม่รอดจากอะไรก็ไม่รอดจากความทุกนี้ต่อให้เรียนจบปรัญญาตีโทรหรือเอก็ยังหนีไม่พ้นความทุกยังดับความทุกไม่ได้แต่ผู้ที่เข้ามาศึกษามารับความรู้จากพระพุทธศาสนานี้จะหลุดพ้นจากความทุกได้นี่คือความวิเศษของ พระพุทธศาสนาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีความรู้ใดในโลกนี้จะเสมอเท่าได้พวกเราชาวพุทธถึงถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคมีวาสนาที่ได้เข้าพบกับความรู้อันประเสริฐนี้ที่นานๆจะเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง ันานจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้พวกเราได้เข้าหาได้ศึกษาได้เป็นที่พึ่งถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราจะไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยจะต้องเรียนไหวตายเกิดในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตาย ไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้วิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองแต่พอมีพระพุทธศาสนามาปรากฏเราก็จะได้ยินได้ฟังวิธีการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้การเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์อย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ พอมาเกิดเราก็ต้องทุกข์กับเรื่องต่างๆเรื่องของร่างกายก็ทุกข์ต้องคอยปลดทุกข์อยู่เรื่อยๆต้องเคยเติมความสุขอยู่เรื่อยๆความสุขที่เติมไปต่อไปก็กลายเป็นความทุกข์ที่จะต้องปลดเื่องเช่นเวลาเรารับประทานอาหารเราก็มีความสุขต่อไปอาหารมันก็ต้องไปถูกระบายออก เวลามันอยากจะออกจากร่างกายมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทุกทั้งเข้าทุกทั้งออกเวลากินก็เพราะทุกถึงกินกันเพราะหิวความหิวนี่ก็เป็นความทุกข์ถ้าไม่ได้กินยิ่งทุกข์ใหญ่พอได้กินก็มีความทุกข์ขึ้นมาหน่อยกินอิ่มแล้วความทุกข์ก็หายไปแต่ไม่นานก็เกิดความทุกข์ ที่อยากจะระบายอาหารที่ได้รับประทานเข้าไปในร่างกายนี่คือความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายทุกที่จะต้องหายใจตลอดเวลาวันไหนถ้าเกิดขี้เกียจไม่อยากจะหายใจวันนั้นก็ตาย<ม>พวกเราจึงไม่ค่อยขี้เกียจกันเรื่องหายใจนี่ขยันกันทุกคนเพราะไม่มีใครอยากตายกัน<ม>แต่พอถึงเวลาก็ต้องตาย นีความตายไม่พ้นเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ก็คือความทุกข์ถ้าไม่เกิดก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องหาอาหารมารับประทานไม่ต้องหาลมหายใจไม่ต้องหายใจเข้าออกไม่ต้องขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะนี่คือความแตกต่างระหว่างการเกิดและการไม่เกิด แต่พวกเราไม่รู้กันไม่เห็นกันเรามักจะเห็นว่าการเกิดนี้ดีหรือเกิดเวลาได้ลูกได้เต้ามานี่ดี อ, อกดีใจกันเลี้ยงฉลองวันเกิดกันใหญ่แต่ไม่เคยคิดถึงลูกของเราที่ต่อไปจะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายจากเราไปในที่สุดเราลืมคิดกันถึงความทุกข์เราถูกความหลง หลอกให้เราเห็นแต่ส่วนที่ดีของการมาเกิดเห็นว่าเกิดมาแล้วจะได้มีอะไรจะได้ทำอะไรได้จะได้มีครอบครัวมีลูกมีสามีมีภรรยามีลาบยศสรรเสริมมีความสุขทางตางหูจมูกลิ้นกายแต่ไม่ได้มองว่ามีเท่าไหร่ก็ต้องหมดไปในที่สุด เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวไม่มีใครที่จะสามารถรักษาสิ่งที่ตนเองรักไว้ได้ไปตลอดไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปนี่คือความทุกข์ที่พวกเราจะไม่เห็นกันจะไม่รู้กันแต่เวลาเรามาวัดเรามาฟังเทศฟังธรรม เราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องของความทุกข์เพื่อเป็นการเตือนสติให้เราหาทางออกจากกองทุกข์กันทางออกจากกองทุกข์ก็คือการทำลายต้นเหตุของความทุกข์นั่นเองต้นเหตุของความทุกข์เป็นอะไรก็เป็นความอยากต่างๆมีอยู่สามอยากด้วยกันอยากชนิดที่หนึ่งเรียกว่าอยากในการ มาคุณห้ากามกคุณห้าคืออะไรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะถ้าเรายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่เราก็จะต่อพบต่อชาติต่อไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะตัดพบตัดชาติเราก็ต้องตัดกามาตัญหาความอยากในกามกคุณห้า คืออย่าไปอยากดูรูปอย่าไปฟังเสียงอย่าไปดมกลิ่นอย่าไปอยากลิ้มรสอย่าไปอยากสัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายก็คือถ้ามีสามีมีภรรยาก็อย่านอนร่วมกันแยกกันนอน ấy. อยู่กันแบบเป็นเพื่อนแต่ไม่ต้องเสพกลางกันไม่ต้องร่วมหลับนอนกัน รักกันเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องเป็นเหมือนเพื่อนเพื่อที่จะได้ดูแลกันช่วยเหลือกันมี่ถ้าอยากจะตัดพบตัดชาติต้องตัดกามคืออย่าร่วมงร่วมหลมับนอนกันอย่าหาความสุขจากการเสพกามอย่าหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานมากจนเกินไปรับประทานพอให้ร่างกาย อยู่ได้ก็พออย่ารับประทานแบบไม่มีขอบไม่มีเคสอย่ารับประทานตามความอยากให้รับประทานตามความต้องการของร่างกายเหมือนกับการรับประทานยาถึงเวลาก็รับประทานถ้ายังไม่ถึงเวลาก็จะไม่รับประทานเช่อนอาหารนี้รับประทานวันละมือ้อสองมื้อก็พอแล้วอยู่ได้ ร่างกายไม่ตายอย่างแน่นอนถ้าลับประทานมากก็จะเป็นการรับประทานตามความอยากก็จะเป็นการต่อพบต่อชาติต่ออายุของตัณหาความอยากเพราะความอยากนี้จะไม่หมดไปด้วยการทำตามความอยากความอยากนี้จะหมดไปด้วยการฝืนไม่ทำตามความอยากถ้าเราฝืน ไปได้แต่ละครั้งความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดความอยากก็จะไม่มีถึงเวลาค่อยรับประทานกถ้ายังไม่ถึงเวลาจะไม่มีความรู้สึกอยากเลยต่อให้มีอาหาร อ, ร, อร่อยวิเศษขนาดไหนมาตั้งไว้ข้างหน้าก็ตามถ้ายังไม่ถึงเวลาจะไม่รับประทาน เพราะไม่มีความอยากจะรับประทานเพราะหยุดความอยากได้แล้วเช่นเดียวกับความอยากเสพอยากอื่นอยากดื่มสุราอยากสูบบุหรี่อยากดูหนังดูละครอยากออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยากมีนั่นอยากมีนี่อันนี้จะหมดไปถ้าเราฝืนความอยากได้ ไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปจะไม่มีความอยากที่จะดึงให้เราไปเกิดอีกนี่คือความอยากกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่าความอยากในการความอยากกลุ่มที่สองก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากมีนั่นมีนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อันนี้ต้องตัดขึ่น เป็นคนธรรมดานี่ดีแล้วอย่าไปอยากเป็นใหญ่เป็นโตอย่าไปอยากเป็นมหาเศรษฐีอย่าไปอยากร่ำอยากรวยอย่าไปอยากเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นนายกเทศบาลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นสอสอ เป็นในพันในพลในหมื่นในแสนอย่าไปอยากความอยากเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้เราต้องไปเกิดใหม่อยู่แบบคนธรรมดานี้ก็มีความสุขได้และมีความสุขมากกว่าคนที่เป็นใหญ่เป็นโตซะอีกเพราะคนธรรมดาไม่มีใครมารบกวนไม่มีใครมาขอนั่นขอนี่ ถ้าเป็นใหญ่เป็นโตเดี๋ยวคนนั่นคนนี้ก็จะมาขอนุน่นขอนี่ถ้าไม่ให้เขาเขาก็โกรธเกลียดเราเขาเสียหกเสียใจเขาก็โกรธเกลียดเราแล้วเผลอๆอาจจะลอบทําร้ายเราก็ได้การเป็นใหญ่เป็นโตนี้มันเป็นทุกขลาภมันมันไม่ได้เป็นสุขอันนี้เราต้องพยายามตัด อยู่แบบคนธรรมดาสามัญมีความสุขมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปความอยากกลุ่มที่สเรียกว่าความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้ก็อยากในส่วนที่ไม่ชอบนั่นเองเช่นอยากไม่จนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้ก็อยากไปมี เพราะถ้ามีแล้วมันก็จะทำให้เราดิ้นหนีสิ่งต่างๆเหล่านี้พอเราเจอความจนเราก็พยายามดิ้นหนีกันพยายามดิ้นล้นเพื่อหาความความร่ำรวยกันหนีความจนกันการดิ้นนี่ก็เป็นการไปก่อภพบก่อชาติจิตถ้าไม่นิ่งแนละ้วจิตจะต้องไปก่อภพบกาอชาติเวลาแก่ก็ดิ้นหนีความแก่กัน หาหมอทำสัญญกรรมตกแต่งการวุ่นไปหมดทำย่างไรมันก็หนีความแก่ไปไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดิ้นหนีกันดิ้นหาหมอหาอยู่หายากันวุ่นไปหมดรักษาไม่หายบางทีก็หนีด้วยการฆ่าตัวตายฆ่าร่างกายเพื่อจะหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยของล่างตายไปแต่มันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องไปเกิดใหม่ พอห น, นีจากร่างกายอันนี้มันก็จะผลักให้ไปหาร่างกายอันใหม่พอเจอร่างกายอันใหม่เดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใหม่มันก็หนีไม่พ้นอยู่ดี น, นี่คือเรื่องของตัณหาทั้งสามที่พวกเราต้องละให้ได้การที่จะละตัณหาความอยากทั้งสามนี้ได้เราก็ต้องใช้เครื่องมือใช้อาวุธทำลายมาัน เครื่องมือที่พระ เ, เจ้าสอนให้พวกเราสร้างกันขึ้นมาก็คือทานศีลภาวนานี้ให้เราทำทานเวลาเราอยากจะซื้ออะไรเอาเงินที่เราอยากจะซื้อของนั้นไปทำทานแทนเช่นวันนี้อยากจะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่สักชุดหนึ่งทั้งๆ ท, ที่มีอยู่เต็มตู้แล้วไม่เดือดร้อนไม่จาเป็นที่จะต้องซื้อ เราก็เอาเงินที่จะซื้อเสื้อผ้าใหมน่นี้เอาไปทําทานเอาไปให้คนอื่นหรือถ้าอยากจะซื้อเสื้อผ้าซื้อแล้วก็เอาไปให้คนที่เขาไม่มีก็ได้เช่นเอาไปให้ขอทานข้างถนนเราเห็นเสื้อผ้าชุดนี้สวยเราอยากใส่แต่เรามีเหลือเฟือแล้วเราก็ซื้อแล้วก็เอาไปให้ขอทานให้คนที่เขาไม่มีใส่เขาจะได้มีความสุข แล้วเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะได้ตัดความอยากที่จะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ทุกครั้งที่อยากจะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่เราก็ทําอย่างนี้ไปต่อไปเราก็จะไม่อยากซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ถ้าจะซื้อก็ต้องมีความจําเป็นจริงๆมีเหตุมีผลเช่นเสื้อผ้ามีอยู่นี้ใช้ไม่ได้แล้วขาดหมดแล้วจําเป็นจะต้องซื้อใหม่แล้ว ตอนนั้นเราถึงจะซื้ออย่างนี้เราก็จะหยุดการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆได้อยากจะซื้อกาแฟอยากจะไปดื่มกาแฟที่ร้านสตาร์บัค ก, ก็เข้าไปซื้อกาแฟแล้วก็เอามาให้ขอทานที่นั่งอยู่ที่หน้าร้านสตาร์บัคมันบอกเออเอาไปดื่มนานๆจะได้ดื่มสักทีเราดื่มมานานพอแล้วดื่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอสักที คณเอาไปดื่มมั่งอันนี้แหละคือวิธีดัดความอยากอย่าทำตามความอยากเวลาอยากจะใช้เงินซื้ออะไรก็อย่าไปซื้อเอาเงินไปให้คนอื่นหรือถ้าซื้อก็ซื้อแล้วก็เอาไปให้คนอื่นอย่ากเก็บเอาไว้ใชค้ความจริงซื้อมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกซื้อมาบางทีเสื้อผ้าใส่หนเดียวสองหนแล้วก็เก็บไว้ในตู้ อีกปีหนึ่งก็ยังไม่ได้ใช้ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราจะหยุดความอยากไม่ได้ทุกครั้งที่เราอยากแล้วเราไปซื้อมามันจะทำให้เราอยากซื้อใหม่อีกเพราะอาทิตย์หน้าไปเดินห้างไปเจอชุดใหม่ก็อยากจะซื้ออีกเสื้อผ้ามันจึงล้นตู้เต็มตู้จงต้องซื้อตู้ใหม่มาเก็บเสื้อผ้าอีก นี่คือวิธีตัดความอยากถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราต้องฝืนความอยากทุกชนิดอยากจะสูบบุหรี่ก็อย่าสูบหรือเอาบุหรี่ออกมาแล้วก็สูบแต่อย่าไปจุดไฟคิดคาบไว้ในปากไม่ต้องไปจุดไฟก็ได้คาบไวโกโก้อย่างนั้นเดี๋ยวเบื่อก็ยอนทิ้งไป ทุกครั้งอยากจะสูดก็หยิบมาฆ่าไว้ในป่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะหาอยากทุกครั้งที่อยากจะดื่มสุราก็เอาแก้วมาเอาสุราเทใส่แก้วเทเสร็จแล้วก็เทใส่<ม>เทออกจากแก้วทิ้งไปในดินลดน้ำลดต้นไม้ไปเอาสุราไปลดต้นไม้อย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะไม่อยากจะดื่มสซรา แล้วเราก็จะสบายเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราก็จะได้มีไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองพอเราไม่ต้องไปหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลามาปฏิบัติธรรมมากำจัดความอยากให้หมดไปจากใจนี่คือวิธีการต่อสู้ความอยากตอนต้นก็ตัด วิธีการหาทำตามความอยากด้วยการใช้เงินอยากไปใช้เงินเมื่อไม่ใช้เงินก็ไม่ต้องหาเงินเมื่อไม่หาเงินก็จะมีเวลามาปฏิบัติทำได้มาอยู่วัดได้มารักษาศีลได้การรักษาศีลก็เป็นการยุติความอยากอยากจะลักทรัพย์ของผู้อื่นก็ลักไม่ได้อยากจะไปเ พ, พ้อพูดผิดไปในกับ สามีภรรยาของผู้อื่นก็ไปทำไม่ได้อยากจะฆ่าก็ฆ่าไม่ได้อยากจะโกหกก็โกหกไม่ได้อยากจะเสพสุรายาเมาก็เสพไม่ได้นี่ก็คือวิธีตัดความอยากเข้าไปขั้นหนึ่งแต่ความอยากตัดแบบนี้ยังตัดไม่ตายมันเหมือนกับตัดกิ่งตัดก้านของความอยากต้นไม้นี่ถ้าเราไปตัดกิ่งตัดก้าน ไม่นานเดี๋ยวมันก็งอกออกมาใหม่ได้ฉันใดการทําทานการรักษาศีลก็ยังไม่สามารถทําลายความอยากให้หมดไปได้เพียงแต่ทําให้มันอ่อนกําลังลงไปให้มันเบาลงไปเท่านั้นถ้าอยากจะทําลายความอยากให้หมดไปอย่างราบคาบก็แบบต้นไม้ก็ต้องถอนรากถอนโคนของต้นไม้ วิธีที่จะถอนรากถอนโคลนของความอยากก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิต้องเจริญปัญญาที่เป็นเครื่องมือที่จะขุดลากถอนโคลนของความอยากทั้งหลายให้หมดไปได้เราจึงต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันวิธีจะนั่งสมาธิให้ใจสงบได้เราต้องมีสติสตินี่เป็นเหมือนกับเครื่ เชือกที่จะดึงใจของเราให้เข้าสู่ความสงบใจของเรานี้เป็นเหมือนลิงถ้าเราอยากจะจับลิงเข้ากรงให้นั่งอยู่เฉยๆเราต้องมีเชือกคล้องคอมันแล้วก็ลากมันเข้าไปในกรงถ้าไม่มีเชือกนี้จะละจับลิงเข้ากรงได้ยากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเช่นใดใจของเราก็เป็นเหมือนลิง ที่ไม่ยอมอยู่นิ่งไม่ยอมอยู่เฉยเฉยชอบคิดนู่นคิดนี่คิดแล้วก็อยากอยากได้นู่นอยากได้นี่พออยากแล้วก็ต้องไปทำตามความอยากนี่แหละคือใจของพวกเราที่ไม่มีเคยมีความสุขเลยเพราะหยุดไม่นิ่งเฉยเฉยไม่ได้อยู่เฉยเฉยไม่เป็นไม่รู้ว่าการอยู่เฉยเฉยนี้เป็นความสุขอย่างยิ่ง เราจึงต้องให้พระพุทธเจ้ามาสอนเราสอนให้พวกเราทำใจให้นิ่งกันให้ได้เพราะเวลาใจนิ่งแล้วใจจะมีความสุขเพราะว่าไม่มีความอยากนั่นเองถ้าใจไม่นิ่งจะมีความอยากอยู่เรื่อยๆเยวลามีความอยากใจก็จะไม่มีความสุขเพราะจะต้องไปดิ้นหาสิ่งที่อยากได้นั่นเองแต่พอไม่มีความอยากปั๊บ ก็นั่งเฉยๆได้อยู่เฉยๆได้อยู่เป็นสุขได้เราจึงต้องมาหยุดความคิดของเราให้ได้ด้วยการใช้สติสตินี้เป็นเครื่องมือที่จะหยุดความคิดวิธีใช้ก็คือให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็พุทโธพุทโธไป อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ถ้าทำได้แล้วเวลามานั่งสมาธิใจจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพอสงบแล้วก็จะมีความสุขจะอยู่เป็นสุขไม่ต้องไปทำตามความอยากแต่พอออกจากสมาธิมาถ้าควบคุมความคิดไม่ได้ถ้าเผลอไม่ควบคุมความอยากก็จะเกิดขึ้นมา ความทุกข์ก็จะตามมาถ้าอยากจะหยุดความทุกข์หยุดความอยากโดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าถ้าทำตามความอยากแล้วจะต้องทำไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากสูบบุหรี่ก็ต้องสูบไปจนวันตายถ้าอยากจะดื่มสุราก็ต้องดื่มไปจนวันตายและเวลาที่ไม่มีเงินซื้อสุรามาดื่ม เวลานั้นก็จะทุกข์ทรมานใจถ้าดื่มมากๆ ก, ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตายไปก่อนเวลาอันควรถ้าคิดอย่างนี้ก็จะหยุดความอยากได้นี่เรียกว่าปัญญาเราต้องสอนใจว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการเดินเข้าหาความทุกข์ไม่ใช่เดินออกจากกองทุกข์ถ้าอยากจะออกจากกองทุกข์ ต้องหยุดความอยากต้องไม่ทำตามความอยากเท่านั้นพอปัญญาสอนใจอย่างนี้เราก็จะหยุดความอยากได้ถ้าเรามีสมาธิแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิต่อให้สอนอย่างไรมันก็หยุดไม่ได้คนที่ยังติดสุรายังติดบุรีนี้ก็เพราะว่าเขาไม่มีสมาธิเขาไม่มีปัญญานั่นเอง ถ้าเขามีสมาธิมีปัญญาเขาจะเลิกเลยรับรองได้ว่าไม่มีใครจะโง่ทำสิ่งที่โง่ต่อไปในเมื่อฉลาดแล้วเมื่อมีความรู้แล้วว่าการดื่มสุราการสูบบุหรี่นี้เป็นการทำลายตัวเองเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองใครอยากจะไปทำกันบ้างนี่คือปัญญาและสมาธิ ที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้ถ้าเรามีแล้วเราจะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้หยุดการมาตัณหาความอยากในการได้หยุดภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นได้หยุดวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้พอหยุดได้หมดแล้วก็จะไม่มีสิ่งที่จะชุดลากให้เราไปเกิดอีกต่อไป เมื่อไม่เกิดก็ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีความทุกข์นั่นเองอย่างนั้นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเธิแล้วเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาร้องห่มร้องห้อย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ ไม่ต้องมาหวาดวิตกมาหวาดกลัวเพราะว่ายังไงยังไงสิ่งต่างๆมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมีทางเดียวเท่านั้นก็คืออย่ากลับมาเกิดแล้วจะไม่มีอะไรให้หวาดวิตกไม่มีอะไรให้กังวลอีกต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้